เพราะความเจริญในธรรมทุกมีละท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปะโพธิยานได้นำเสนอปร ะ, ประวัติของพระพุท ธ, ธเจ้าสืบต่อกันไปจนถึงเรื่องที่ประสาริบุตรเถระได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาหารหันต ในตอนบ่ายของวันนั่นเองพระเจ้าได้เสด็จลงมาจากภูเขาพิจกุดคือเชิงภูเขาพิจกุฏพ ร, ระงง่าย่าเสด็จลงจากสุคราคาตานะฮะเชิงเขาพิจกุดพร้อมด้วยภาษาลิบุตรตามเสด็จกรณีในขณะนั้นก ร, รุงราชคฤตก็มีรหารอยู่พันสองรอยห้าสิบรูป คูอพวกปุราจะดินหนึ่งพันกับระษาริบุตรและบริวารสอง้หาสิบท่านเหล่านั้นไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนก็ม า, าประชุมพร้อมกันที่พระเวรวนที่ท่านเรียกว่าจาตุรงกสันนิบาตคือเป็นการประชุมที่ประกอบด้วยองค์สีประการ ว่านั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสามแล้วก็มีพระหันที่บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหมดพันสองรอยห้าสิบรูปได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วท่านเหล่านั้ น, นก็บวชด้วยพิฆูปจมปธ า, าทั้งหมด และ ว, วุทธเจ้าก็ได้ส่งแสดงธรรมะที่เราเรียกว่าโอวาตปาติโมกคือคำสอนที่เป็นหลักเป็นตทานในการสรุปรวมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาไว้ด้วยข้อความเพียงสามคาถากึึงคือถ้าเรามองกันในเชิงโครงสร้างของพระพุทธธรรมรัดแล้วจะเห็นว่า เป็นลักษณะของอุดม ก, การณ์ชุดหนึ่งและเป็นหลักการอีกชุดหนึ่งและเป็นวิธีการอีกชุดหนึ่งอุดม ก, การณ์นั้นมีอาการของการปฏิวัติความเชื่อถือของคนในยุคนั้นอยู่ด้วยในตัวและเริ่มต้นว่าขันตีประมังตะปูติติขาความอดกลั้นคือความทนทานเป็นระบียอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะว่าคนในสมัยนั้นถือว่าการบำเพ็ญสองประการที่จัดเป็นตะปะคือตามแนวของอัตกิลามาทธนยกคือการทรมานตนเ อ, งอ้งรับความลำบากประวิธีการต่างๆจะนอนบนหนามคุกขี่เท้าอากาศหนาวก็ไปอยู่กลางอากาศหนาวอากาศร้อนก็ไปอยู่ทำกลาง ค, งความร้อนหิมะตกก็ไปอยู่ทำกลางหิมะอะไรต่าง หรือว่าเป็นการบําเพ็ญตบะตลอดตั้งการทรมานตนของพวกอดีตปุราณเจดินนะฮะก็เป็นลักษณะของการทรมานตนเช่นเดียวกันเพราะความเชื่อแนวตบะแนวการทรมานตนนิมนก็มีอยู่มากแล้วก็มีความหลากหลายในเรืงของการปฏิบัติ อีกแนวหนึ่งก็คือการปลนปลือตัวเองหาความสุขให้แก่ตัวเองถือว่าชีวิตเราเขาจบลงที่ความตายก็ตายแล้วก็ขาดศูนย์หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เันต้องการความสุขอะไรก็สแสวงหากันในขณะที่มีชีวิตอยู่คือสรุปว่าเป็นความคิดในแนวจิตนิยมที่จัดสุดขั้วกับวัตถุนิยมสุดขั้วพระเจ้าก็ทรงแสดงหมายว่า พุทเจ้าไม่ได้ทรงยอมรับนะฮะเพราะว่าทรงทดลองมาแล้วทั้งสองวิธีว่าไม่ใช่เป็นหนทางที่จะทำให้ศัตรูได้รือการมาสุการนิการนโยกโปรงก็เคยได้รับการปรนปลืออย่างดีอยู่ภายในพระราชาวังตั้งแต่ประชนปร ะ, ประสูติใหม่ๆจนถึงประชนยี่สิบเก้าพรรษานี่ฮะกว่านานพะสมควรแล้วก็ทรมานพระวรากายอยู่ถึงหกปีเกือบหกปีนะฮะ ก็เห็นว่าไม่มีสาระประโยชน์อะไรด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ใ น, นขณะเดียวกันก็ทรงแสดงว่าขันตินั้นเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นการปฏิวัติตบะความเชื่อตามความเชื่อของคนพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นขันติคือความหมดกั้นความหมดทนนั้นเมื่อเมองระยะที่ทรงอธิบายไว้ในที่ต่างๆแล้วก็สามารถสรุปรวมเป็นสีลักษณะด้วยกัน ลักษณะนนหนึ่งก็อดทนต่อความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลายเส่นหนาวจัดร้อนจัดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นภัยธรรมชาติเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของธรมยยง ร, งธรมชาติเกิดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราเออเผชิญหน้าเข้าก็ต้องมีความอดกลั้นความอดทนอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีทางที่จะทําอย่างอื่นได้ อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายต้วยสัยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ด, ด้วยประการต่างๆมากบ้างน้อยบ้างนะฮะนี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่จะต้องอดอรันอดทนเอาเพราะว่าร่างกายของเรานั้นเป็นเรียวกว่าโรคานิทงังหรือรังของโรค ประพังคุนังคือต้องเปื่อยเน่าไปเป็นปกติธรรมดาแล้วก็ประการต่อไปก็คือความเหนืยยากลําบากจากตรรมในกิจการงานต่างๆที่จะต้องจัดจะต้องทําตามภาระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบจะต้องไม่คานึงถึงความเหนือยยากลําบากด้วยประการต่างๆที่บังเกิดขึ้นแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือลักษณะาทางอารมณ์ ทีมีการยั่วยุยวนมาจากข้างนอกยั่วยวนก่อให้เกิดความคล่ายความปรารถนาความพอใจความยินดีความต้องการกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นยั่วยุก็ก่อให้เกิดความขัดเคืองเงิดอัดขัดข้องกันด้วยประการต่างๆซึ่งทั้งสองประการนี้เป็ น, ป ก, า น, ปนปการเพิ่มกิเลสกันคุณละสายอารมณ์ยั่วยวนก็เพิ่มกิเลสสายราคะกับสายโลภะ รมโยยุก็เพิ่มกิเลสสายโทสะแต่ว่าทั้งหมดมันก็มีโมหะผสมอยู่ทั้งนั้นอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่ในด้านก็โทสะเนี่ท่านบอกว่าเราอดทนต่อคนสามกลุ่มอดทนต่อผู้ที่ใหญ่เหนือกว่าเรานั้นไม่ยากเท่าไหรเราอดทนง่ายอยู่แล้วเพอเราต้องอดทนท่านอยู่แล้วอดทนต่อคนเสมอกันก็ยากขึ้นมาหน่อยนึง อทนต่อคนได้อ่อนด้อยกว่านั้นจะยากจริ่งวนใครสามารถอดทนต่อคนได้อ่อนด้อยกว่าเราสามารถลงโทษสามารถประทุษร้ายตอบก็ได้เนี่ยแต่เราไม่ทําแสดงว่าเป็นความอดทนอย่างยิ่งเป็นความอดทนอย่างสูงเออข้อต่อไปก็ทรงสแสดงว่านิบานังปรามังวันตีบุท ธ, ธา ท่านผูรูทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมคือเป็นธรรมชั้นสูงสุดซึ่งความเชื่อของคนในยุคนั้นถือว่าการเข้าไปอยู่รวมกับพรห ม, มันหรือปรามัตตมันหรือมาตมันเนยจะเป็นความสุขสูงสุดสุขอยู่ในสถานที่ด้านชัวน่วนิรันดร์นะเคยจะเป็นสวยสุขอยู่ชัว่วนิรันดร ก็เป็นเรื่องความคิดความพอใจของคนที่พอใจอย่างนั้นแต่ว่าอะไรก็ตามถ้าเรามองกันโดยเหตุผลนะครับว่าถ้ายังมีความเกิดอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะให้เป็นความสุขชั่วนในรันดอดได้มันก็อาจจะสุขมากกว่าทุกแต่นั่นเอง แต่าเมื่ออยู่นานๆในที่สุดมันก็เบื่อหน่ายสิ่งไปเหมือนกันนะฮะเช่นสมมุติเราเป็นอะไรเป็นอยู่นั้นในช่วนาตาปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยร้อยปีพันปีอะเอาตั้งเอาตั้งร้อยปีนี่ก็หนักแล้วนะฮะสมมุติว่าร่างกายเราสุขภาพบาลามาไม่เราแข็งแรงนะฮะแต่เราก็เป็นอะไรอยู่แล้วร้อยปีเนี่ยมันก็อาการหนักเพราะว่าสังขารเมื่อเมื่อมันเป็นสังขารมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย แต่ว่าแนวความคิดแนวเทวนิยมเนี่ยก็จะพอใจติดใจในเรื่องเหล่านี้อยู่มากเป็นความสุขอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดรเป็นข้าวสิงสถิตยอยู่ร่วมหรืออยู่รวมนะฮะคือเข้าวรวมหรือเข้าวร่วมไปอยู่ร่วมก็แล้วแต่ถือว่าเป็นความสุขพระเจ้าก็ทรงปฏิวัติใหม่ว่านิพพานนั้นเป็นบรมธรรม มายความว่ า, านิพานนั้นเป็นความสุขอย่างสูงสุดนิพานคืออะไรนิพานมีปริยายที่จําแนกแสดงไว้เป็นอันมากแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีชื่อเรียกอยู่สองชื่อนะฮะชื่อหนึ่งก็เรียกสอุปาทิเศสนิพานแปล ว, ว่าดับกิเลสแต่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่ ในข้อนี้มีการอธิบายอยู่สองแนวแนวหนึ่งบอกว่าเป็นการดับกิเลส ข, ของพระโสดาบันขึ้นไปนโสดาบันสกทาคานาคาอราหาันเนี่ยก็ถือว่าเป็น ส, ปาสาปาติเสสนิพานดับกิเลสแต่ว่าชีวิตยังอยู่สามประเภทแรกนั้นกิเลสก็ยังอยู่บ้า ง, งนะกิเลสยังอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้าง แล้วการอุปาติเสสนิพานคือดับทั้งกิเลสดับทั้งเบญจขันต์หมายความว่ากิเลสก็ดับเบญจขันต์ก็ดับไม่มีชีวิตร่างกายอยู่ภายในโลกคือหมายความพูดง่ายว่าพระอรหันต์ที่ตายนะะเรียกว่าอนุปาติเสสนิพานก า, ารที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าส า, ปาุปาติเสสนิพานในนี้แนวหนึ่งนะฮะแนวหนึ่งนี่คือหมายถึงพระอรหันต์ทั้งสองข้อ แต่ข้อแรกหมายถึงประหันที่ยังมีชีวิตอยู่ข้อที่สองหมายถึงพระนที่ตายแล้วทีนี้คําว่านิพานนั้นมันเป็นคําที่ใช้แทนเยอะเรียกวิญพจน์ครับคําที่ใช้แทนกันในความหมายที่ใช้แทนกันในมีมากอย่างในธรรมจักรก็แสดงไว้เท่าไหรล่ล่ะห้าคำนะครือการดับตัณหานั้นการสละตัณหานั้น การคลายคืนตัณหานั้นจิตใจที่หลุดพ้นจากกํหน้าของตัณหาเหล่านั้นแล้วอนาลโยคือไม่มีความอะไรในตัณหาท่ละได้แล้วนี่ก็เป็นอาการคือว่าแต่ละคาเนี่ยมันมีความหมายถึงนิพพานด้วยกันแล้วประการต่อไปก็คือ นหิปปจิตโตป ร, รูปปคาติสมโนโคติป ร, รังเวหตยันโตผู้ค่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบาปัญพิชิตไม่ชื่อว่าสมณะเลยนี่เป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของความเป็นสมณะในความหมายทางพระพุทธศาสนาเราอย่าลืมว่านักบวชทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยเขาก็เรียกว่าสมณะแราจะู้สงบ แล้วก็มีนักบวชประเภทที่เป็นสมณะสมณะเพศนะฮะเพศของสมณะนี่แต่ว่านักบวชทั้งหลายก็ถืออยู่ในเพศสมณะเป็นนักบวชคือจะต้องมีความสงบแต่ว่าจริงๆแล้วนักบวชในลัที่ของพราหม์ามความเชื่อถือของพราหมณ์ที่ปรากฏตัวอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นหัวหน้าในพิธีกรรมต่างๆที่มีการฆ่าสัตว์การเบ็ดเบียนสัตว์การบทุสรายสัตว์ เนพิธีการบูชายันเนี่ยเป็นการกระทําโดยนักบวชที่เป็นประธานในการบูชายันประกอบพิธีเหล่านั้นก็ต้องฆ่าสัตว์เป็นจันนมากซึ่งมันขัดแย้งกับสารภาพของผู้ที่สงบสมณะจะต้องไปพูดสงบบาปบาปก็ต้องสงบมาเก็กิเลสก็ต้องสงบสงบบาปสงบอกุศลสงบกิเลสทั้งหลายที่ไปมีอยู่ภายในใจเนี่ย แต่ถ้ายัางต้องไปเกี่ยวข้องการฆ่าการเบ็ดเบีนยนสัตว์อื่นอยู่ก็แสดงว่าไม่มีความสงบอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงแสดงปฏิเสธแล้วก็ทรงแสดงสถานะของสมณะหรือบัณชิตในพระพุทธศาสนาขึ้นใช้คำสองคำนะฮะคำว่านาฮีปปะปิโตแปลว่าบัณชิตบัณชิตแปลว่าผู้เว้นบาป คือบรรพชิตในความหมายธรรมพุทธศาสนานั้นจะต้องเว้นบาปจะต้องไม่ทําบาปทางกายทางวาจาหรือแม้แต่จนถึงทางใจเป็นเป้าหมายสูงสุดนะฮะคือไม่ทําบาปแม้แต่ความคิดเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ในตอนต้นๆก็กสํารวมกายสํารวมวาจาระดับศีลสํารวมจิตระดับสมาธิพัฒนาปัญญาระดับปัญญากันไปก็จะทํ า, ทาให้ท่านเป็นผู้ไม่ทําบาป ไม่ทําบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปแล้วก็กลายเป็นธรรมะแปลว่าพูดสงบหมายความว่ากายก็สงบวาจา ก, ก็สงบจิตใจก็สงบทําไม่สงบจากอะไรก็สงบจากปาปสงบจากอกุศลนั่นเองอย่างแต่ว่ามันเป็นอาการที่ปรากฏออกมาสืบเนื่องกัน ภาษาเหล่านี้ก็อาจจะสื่อสารด้วยข้อความต่างๆอีกเป็นนั้นมากแต่สรุปแล้วก็คือว่าเป็นอาการของผู้ที่สงบบาปนั่นเองในข้อต่อไปก็คือการตรงนี้เรียกว่าเป็นอุดมคติเป็นอุดมการเป็นอุดมการในพระพุทธศาสนาคือเป็นธรรมะระดับอุดมการเป็นผลระดับอุดมการเป็นบุคคลระดับอุดมการ แต่ก็อยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวกันนั่นแหละความคันติก็อยู่ในใจของคนนิพพานก็อยู่ในใจของคนความเป็นสมณะก็อยู่ภายในใจของคนแล้วก็เป็นเหตุเป็นปันปจจัยของกันและกันซึ่งก็หมายความว่าคนที่มีความหมดกั้นความหมดทนเนี่ยความหมดกั้นความหมดทนความทนทานสแสดงว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่ เบียดเบียนคนอื่นไม่ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนก็หมายความว่าตั้งก็ดับดับกิเลสตรงกิเลสที่อยากฆ่าลงไปได้ก็ก็อยู่ในในคนคนเดียวกันอยู่ในจิตเดียวกันนะนะจิตดวงเดียวกันในขั้นที่เข้าถึงความสมบูรณ์ก็หมายถึงเป็นพระอระหันต์นะฮะหมายถึงความสมบูรณ์นิจิงก็ต้องเป็นพระอระหรันต ข้อต่อไปก็บอกว่าสัพปะ ป, ปะภาษากระนางการไม่ทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปก็คือความชั่วร้ายทั้งหลายนะฮะสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายซึ่งก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่สรุปว่าการทำการพูดการคิดอะไรก็ตามที่มันสืบเนื่องมาจากกิเลส สืบเนื่องมาจากความโลภสืบเนื่องมาจากความโกรธสืบเนื่องมาจากความหลงเป็นอาการของความโลภโกรธหลงเนี่ยสรุปรวมแล้วก็เป็นบาปด้วยกันทั้งนั้นอนบาปก็คืออาการของกิเลส ท, ที่มเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลเป็นความทุกข์จิตใจก็จะคุณมัวเศร้าหมองนั้นก็เป็นการตัดสินวิจัยว่าอย่างเนี้ยเป็นบาปแล้วก็การทำกุศลให้สมบูรณ์ก็หมายความว่ากุศลก็แปลว่าความฉลาด แต่แก่ความดีทั้งหลายกล่าวโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานะฮะอยู่ในศีลสมาธิปัญญาจะ ท, ทําทํำกุศลให้สมบูรณ์แล้วก็ทําจิตได้ผ่องแพ้ที่ได้ป่องแพ้วจากอะไรก็ผ่องแพ้วจากกิเลสอีกแหมายความว่าการละ บ, บาปบาเพ็ญบุญจนถึงหมดบาปนะสมบูรณ์ด้วยบุญมหมดบาปก็แสดงว่าจิตก็ผ่องแพ้วผองแพ้จากอารมณ์เครื่องสมองใจทั้งหลาย เช่นสมมติว่าในขนาดที่เรารักษาสีนี่เราก็บริสุทธิ์ระดับสีกายเราก็สงบประจาเราก็สงบพอเราจะเริญนกุศลกรรมบทจิตเราก็สงบจิตก็ไม่มากไปด้วยโลภะโทสะโมหะสามารถที่จะบริหารตัวเองให้อยู่เป็นปกติสุขได้แล้วก็ ตรงนี้เป็นหลักการคือหลักการจริงๆในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สามอย่างคือการไม่ทําบาปทั้งปวงการํากุศลให้สมบูรณ์การนาจิตได้ปลองแผ้วมันก็อยู่ในเนื้อหาเดียวกับอริมภัยองค์8ประการหรือว่าศีลสมาธิ ป, ปัญญาได้ทานศีลภาวนานะก็อยู่ในพวกเดียวกันแต่เป็นการแตกต่างกันในภาษาที่ใช้สื่อสารเท่านั้นโดยการปฏิบัติแล้วก็คือว่ากิเลสมันลดน้อยถอยลงไป ธรรมะก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจในข้อต่อไปนั้นเป็นวิธีการเป็นวิธีการแต่ว่าถ้าเรามองถึงตัวตนของบุคคลนะครับผู้ฟังในขณะนั้นเป็นพระหันแล้ววิธีการเหล่านี้จึงเป็นวิธีการของนักเผยแผ่าศาสนาที่พระพุทธเจ้าจะส่งไปเผยแผ่าศาสนาในโอกาสต่อไป แต่ในขณะเดียวกันธรรมบสาทุชนทั่วไปก็คือวิธีการในการปฏิบัติเพื่อการไม่ทําบาปทัป้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การนําจิตได้ปอง n แพ้วซึ่งเมื่อทําได้แล้วก็จะทําให้ตนกลายเป็นสมณะเป็นบรรพชิตมีความหมดกั้นหมดทนก็จนเข้าถึงนิพพานในความหมายทางพระพุทธศาสนาจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องถึงกัน ก็ทรงแสดงไว้หกข้อด้วยกันอนุปวาโดคือการไม่กล่าวรไรได้แก่การไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพืเอ่อเชิดเลวไหลมาพูดคําที่เป็นคําสัตย์คําจริงตามที่ตนได้เห็นมาได้ยินมาได้ทราบมาได้รู้มาอย่างไงก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็อนุปคาโตคือไม่ฆ่าไม่ทําลาย ได้แก่การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตใครไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินใครไม่ประทุษร้ายต่อผู้ปกครองของใครพระปาติโมกแคจะสร้างมาร ค, คือสํารวมระวังในพระปาติโมกและแก่บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยบัญญัติไว้ยังไงก็สํารวมระวังอย่างนั้นสารวมในพูดพูดง่ายๆอีกแหละก็คือสํารวมในศีลสมาธิปัญญานั่นเอง แล้วก็ให้รู้จักประมาณในพัฒตาอาหารคือไม่รับประทานอาหารมากเกินไปถือว่าอาหารนั้นเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตแต่ว่าชีวิตเราไม่ใช่เป็นอาหารทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการครองชีวิตตอนนั้นเองปัจจัยที่เราต้องอิงอาศัยคือสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้ก็ด้วยอาหาร ในอาหารนั้นถ้าไม่รู้จักประมาณมันก็เกินไปจะทําให้การเป็นมามาอาหารเกลียดคร้านอึดอัดหรือว่าถ้าน้อยเกินไปมันก็ทําให้ร่างกายกระสับกระส่ายจะต้องรับประทานอาหารได้พอดีแล้วก็ยินดีในเสนาสะนะที่นั่งที่นอนอันสงัดเงียบไม่มีเสียงรบกวนอเพื่อให้พร้อมที่จะ ปฏิบัติพัฒนาในด้านจิตใจแล้วก็ประกอบความมาเพ็่นเพียรโดยความออเอื้อเฟื่อในที่จิตคือหมายความมาเจริญสมาธิกรรมฐ า, านนะฮะจริญสมาธิภาวนาไปโดยลําดับเต็มตามกําลังความสามารถที่จะกระทําได้ซึ่งหลักการปฏิบัติเหล่าเนี้ยเป็นหลักการปฏิบัติส่วนตนเองของบุคคลเหล่านั้นด้วย และเป็นการแสดงพิสูจน์ถึงความเป็นสมณะเป็นบนรรพชิตของท่านด้วยเราเรียกว่าโอวาตปาติโมก ค, คือคำสอนที่เป็นหลักเป็นประธานรวมแล้วก็เป็นอุดมการณ์สามข้อเป็นหลักการสามข้อเป็นวิธีการอยู่หข้อด้วยกันเป็นข้อความสั้นๆนะฮะแต่ว่าได้สรุปเนื้อหาสาระในพระพุทธศาสนาไว้ทั้งหมด